เมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้ฟังกันมาถึงตอนที่พระเรวตตมาพักที่อาสมสัญญาสีหลังจากสนทนากับหัวหน้าสัญญาสีแล้วพระเรวตะก็เตรียมตัวจะจาวัดค่ะแล้วก็ได้เจอเหตุการณ์ประหลาดน่ากลัวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดพระเรวตตได้รำลึกถึงพุทธคุณเหตุการณ์นั้นก็คลี่คลายไป ซึ่งก็อาจจะเป็นอุปาทานจิตของพระเรวัะในขณะนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าพระเรวัะก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็อาจจะเกิดอุปาทานกลัวอะไรไปต่างๆก็เป็นไปได้ค่ะเหตุการณ์น่ากลัวจึงเกิดขึ้นหลังจากนั้นพระเรวัะได้ออกเดินทางมาถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งชื่อปิธุรคามหมู่บ้านนี้นับถือพระอินท์เป็นที่พึ่ง ผู้คนในหมู่บ้านยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลยค่ะเราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ในบทนี้ค่ะ วันหนึ่งข้าพเจ้าได้มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเรียกชื่อว่าหมู่บ้านปินนตุลคามเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชาชนอยู่หนาแน่นตั้งอยู่ทางทิศตวนตกนครราชคฤือ ป, ประมาณหนึ่งโยชนชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ยังไม่รู้จักพุทธศาสนาแต่นับถือพระอินทร์เป็นสรณะทางด้านตวันออกของหมู่บ้านมีเทวไลแห่งหนึ่งสร้างอุทิศแก่พระอินทร์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 มบูชาเทพเจ้าในเทวลัยเป็นหมู่ใหญ่มีพราหมณ์แก่ผู้สนใจในทางธรรมบางคนมาสนทนากับข้าพเจ้าเป็นคลันคราวข้าพเจ้าไดแนนำสั่งสอนให้เขาเกิดสมา ธ, ธิิความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมชักนำให้เกิดอุสาหะในทานศีลภาวนาจนกระทั่งมีผู้เลื่อมใสถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหลายคน ตอนกลางคืนเมื่อชาวบ้านเสร็จจากการบูชาเทพเจ้ากลับเขหสถานหมดแล้วบริเวณเทวไลก็ปราศจากผู้คนตั้งอยู่ในความสงบเงียบในยามเช่นนั้นข้าพเจ้าก็มักจะถือโอกาสไปเดินเล่นบนลานหินรอบๆเทวไลบางครั้งก็เข้าไปในเทวไลชมเทวรูปและดอกไม้ที่คนนํามาบูชาวางเกลื่อนกราดอยู่บนแท่นข้างหน้าเทวรูป องค์เทวรูปเองแกะด้วยศิลาสีดำตั้งอยู่บนแท่นสูงกลางห้องข้างหน้าเทวรูปมีประทีปน้ำมันตางไว้ตลอดวันตลอดคืนสองดวงทุกๆวันจะมีพราหมณ์คนหนึ่งผู้มีหน้าที่ในการเติมน้ำมันนำน้ำมันมาใส่ในภาชนะประทีปเป็นประจำ <S <S <S <S <S <S คืนวันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านกลับบ้านกันหมดแล้วข้าพเจ้าก็ออกจากที่พักไปเดินเล่นในบริเวณเทวรายตามเคยเมื่อเดินวนเวียนอยู่รอบนอกจนพอแก่ความต้องการแล้วก็เข้าไปเดินภายในเทวรายรอบ ร, บ, รบเทวรูปของอินทรเทพขณะที่เดินมาถึงข้างหลังขององค์เทวรูปพอดีข้าพเจ้าสังเกตเห็นมีคนคนหนึ่งกําลังเดินขึ้นบันไดมาอย่างรีบร้อน <Okay. S 1> เพื่อไม่ให้เห็นว่า ข้าพเจ้ากำลังอยู่บริเวณนั้นจึงแอบไปหลบอยู่ข้างหลังเทวรูปเสียและก็มองดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยอาศัยช่องว่างระหว่างแขนและลำตัวของเทวรูปซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้ซึ่งคนนาเอามาวางไว้บูชาแต่มีช่องเล็กๆพอที่จะมองเห็นด้านหน้าของเทวรูปได้อย่างชัดเจนเมื่อบุคคลที่เข้ามาหนเทวะไร ย, ยืนอยู่ข้างหน้าเทวรูปแล้วข้าพเจ้า ก็เห็นได้ทันทีว่าเป็นสตรีเพศอายุประมาณ18ปีเป็นอย่างมากเธอหยุดยืนอยู่หน้าเทวรูปเปิดผ้าคลุมหน้าออกเอาดอกไม้วางไว้บนแท่นบูชาตาจ้องดูพระของเทวรูปอย่างไม่กระพริบข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าใบหน้าของเธอมีแววเศร้าอย่างลึกซึ้งแฝงอยู่เธอยกมือทั้งสองข้างขึ้นประสานกันไว้ใต้คางจ้องดูเทวรูป แล้วก็ฟุบหน้าลงกับฝ่ามืออึกสอื่อหักหักอยู่เป็นครู่ใหญ่แล้วจึงเงยหน้าขึ้นจ้องดูเทวรูปอีกข้าพเจ้าสังเกตเห็นน้ำตาของเธอไหลเป็นทางอาบแก้มเธอคงจะมีความทุกข์หมันอันแน่นอยู่ในอกอย่างแน่นอน ข้าพเจ้าเฝ้าดูสถานการณ์ต่อไปด้วยจิตใจที่หนักอึ้งด้วยความสงสารขั้จนจะหลบหนีไปเสียปล่อยให้เธอทำการบูชาอยู่คนเดียวก็ไม่มีทางเพราะห้องที่อยู่ของเทวรูปนั้นมีประตูออกด้านเดียวถ้าจะเดินไปทางประตูนั้นหญิงสาวคนนั้นจะต้องเห็นแน่ๆ ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจอยู่ข้างหลังเทวรูปนั้นต่อไปเมื่อเธอร้องไห้จนน้ำตาเหือดแห้งแล้วหญิงสาวคนนั้นก็ได้กล่าวขึ้นด้วยเสียงอันสั่นเครือว่าข้าแต่เทพเจ้าผู้ทรงศักดานุภาพโปรดเมตตาสงสารข้าพเจ้าโดยเถิดข้าพเจ้ากำลังตกอยู่ในห่วงมหันตทุกข์โปรดช่วยข้าพเจ้า้วยเถิดเทพเจ้าผู้ทรงศักดาว่าแล้วเธอก็ฟุบหน้าลงบนฝ่ามือ ร้องไห้สะอกสะอื่นต่อไปแทบว่าจะขาดใจท่านภูมิอายุขณะ น, นั้นข้าพเจ้าเกิดความคิดประหลาดขึ้นมาอย่างหนึ่งมันเป็นความคิดประหลาดจนข้าพเจ้าเองก็ไม่อยากจกะนำออกมาใช้ คือข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าจะทำเป็นเทวรูปพูดกับหญิงสาวคนนั้นเสียเองเพื่อช่วยเหลือเธอเพื่อปลุกปลอบใจเธอให้หายทุกข์มันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของความสงสารเห็นใจสัตว์ผู้กำลังทุกข์ทรมานมากกว่าที่จะหลอกลวงใครถ้าจะพูดตามความเป็นจริงแล้วเทวรูปนั้นก็เป็นเพียงวัตถุธาตุซึ่งไร้ชีวิตจิตใจไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใคร ต่อไขได้แต่ข้าพเจ้าอาจจะช่วยได้อย่างน้อยก็ด้วยให้คําแนะนําอันมีประโยชน์แต่เนื่องจากประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในเทวรูปศิลาอันไร้ชีวิตจิตใจนั้นถ้าข้าพเจ้าจะสวมรอยเทวรูปนั้นให้การช่วยเหลือแก่มนุษย์ก็คงจะไม่เป็นการหักหน้าเทพเจ้าองค์ใดเมื่อคิดดูทีท่วนแล้วข้าพเจ้าจึงพูดด้วยเสียงเรียบๆว่าลูกเอ๋ย อย่าโศกเศร้าเสียใจไปเลยพ่อจะช่วยเจ้าคำพูดของข้าพเจ้าทำให้หญิงสาวคนนั้นสะดุ้งสุดตัวเธอเหงนหน้าขึ้นจ้องดูเทวรูปด้วยในตาเบิกกว้างอ้าปากค้างแสดงความตื่นตกใจอย่างเต็มที่เธอหันหน้าไปมองทางนั้นทีทางนี้ทีด้วยท่าทางแสดงความหวาดกลัวลูกเอ๋ยเจ้าไม่ต้องตกใจไม่ต้องหวาดกลัวอะไรทั้งสิ้น เจ้าอยู่ในที่อันปลอดภัยแล้ว้าพเจ้ากล่าวปลอบโยนเธอยิิงสาวยกมือขึ้นไหวเทวรูปด้วยการตัวสั่น ง, งานงกใบหน้าของเธอขนาดนี้แสดงอาการบอกไม่ถูกว่ากำลังจะร้องไห้หรือกำลังจะหัวเราะเธอคงตื่นเต้นดีใจสุดประมาณที่เทพเจ้าของเธอพูดกับเธอได้คล้ายกับมนุษย์ซึ่งเธอไม่เคยประสบพบเห็นมา ก, ก่อนเลยในชีวิตพระบิดา ข่าแต่พระบิดาท่านปลดข้าพระเจ้าแล้วข้าพระเจ้าดีใจจริงๆเธอพูดประล่ําระรักยกมือไหว้ประลกประลกด้วยท่าทางน่าสงสารบอกพ่อเิอลูกเอ้ยว่าเจ้ามีความทุกข์อะไรอยู่ในใจข้าพระเจ้าถามความทุกข์ของข้าพระเจ้ายิ่งใหญ่เหลือประมาณก่าวคือเมื่อประมาณหนึ่งปีมาแล้วข้าพระเจ้าถูกมาดาบิดาให้แต่งงานกับพรามแก่ อายุ60ปีคนหนึ่งซึ่งมีฐานะร่ำรวยมากแต่ว่ามีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดมากสำหรับข้าพเจ้าแต่เพื่อเป็นการสนองบุญคุณบิดามารดาข้าพเจ้าจึงยอมตกลงแต่งงานกับพราหมณแก่คนนั้นเราอยู่กินกันมาเป็นปกติสุขเป็นเวลาหนึ่งปีครั้นเมื่อวานนี้สามีของข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมได้โรคปัจจุบันเธอกล่าวได้เท่านั้นก็ฟุบหน้าลงกับฝ่ามือ ร้องไห้สะอึกสะอื่นอีก <c oughs> พระพเจ้าก็พอจะถ่ายได้ว่าเธอกำลังประสบทุกข์หนักเพราะอะไรรักษมีที่มาด่วนจากไปอย่างไม่มีวันกลับนั่นเอง เพื่อจะปลอบโยนให้เธอคลายโศกข้าพเจ้าจึงกล่าวขึ้นด้วยเสียงต่ำๆว่าลูกเอ๋ยอย่าโศกเศร้าเสียใจไปเลยการเกิดการตายเป็นของธรรมดาการได้มาและการสูญเสียไปก็เป็นของธรรมดาถ้าเจ้ารู้จักหลักธรรมดาและยอมรับว่าเป็นหลักธรรมดาเสียเจ้าก็จงสบายใจนี่เจ้าไม่ยอมรับหลักธรรมดาเจ้าต้องการ จะให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เจ้าปรารถนาแต่ไปตามวิถีทางของมันเจ้าจึงได้ผิดหวังและเป็นทุกข์หญิงสาวเงยหน้าขึ้นจ้องดูเทวรูปกรหมิงแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าแต่เทพบิดาข้าไปเจ้าหาสศกเศร้าเป็นทุกข์เพราะมรณกรรมของสามีแต่ประการใดไม่อ้าวถ้าอย่างนั้นเธอเป็นทุกข์เพราะเรื่องอะไรล่ะ เ้าพเจ้าถามด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยและลึกขำตัวเองที่หลงเทศนาสั่งสอนสียืดยาวท่านเทพบิดาไม่ทราบ ห, หรือว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเก่าชาวบ้านมีหัวฝังแน่นอยู่ในประเพณีโบราณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆสิ่งใดที่บรมพระบุษนับถือปฏิบัติมาจะต้องปฏิบัติ ต, ต่อไปโดยไม่มีการพิจารณาสอบสวนอ้าวก็แล้วความหัวเก่าของชาวบ้าน มันเกี่ยวข้องอะไรกับความทุกข์ของเจ้าด้วยละ่ะข้าพเจ้าถามเกี่ยวข้องโดยตรงทีเดียวเทพบิดาเจ้าในหมู่บ้านของเรามีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าสตุดตีกล่าวคือเมื่อสามีของหญิงใดตายลงหญิงนั้นจะต้องเผาตัวตายตามสามีไปด้วยเพื่อแสดงความรักบูชาอย่างแท้จริงต่อสามีผู้ใดสามารถเผาตัวเองให้ตายตามสามีไปได้ ผู้นั้นจะได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างเลิ่อดลอยจากชาวบ้านไม่เฉพาะตัวเธอเท่านั้นที่ได้รับยกย่องแม้แต่มาดาบิดาของเธอก็พลอยได้รับการเคารพนับถืออย่างสูงอีกด้วยถ้าสตรีใดไม่เผาตัวตายตามสามีสตรีนั้นก็ได้รับการตำหนิติเตียนและการดูถูกเหยียดหยามอย่างหนักจากประชาชนทั่วไปถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่า เจ้าไม่อยากเผาตัวตายตามสามีไปใช่ไหมใช่แล้วเทพบิดาข้าพเจ้ายังไม่อยากตายข้าพเจ้าเพิ่งจะเกิดมาเห็นโลกเพียงสิปปีเท่านั้นข้าพเจ้ายังอยากจะอยู่โลกนี้อีกต่อไปนานเท่านั้นข้าพเจ้าหวาดสะดุ้งต่อความตายในกองไฟอันทารุนโหดร้ายนั้นข้าพเจ้าเห็นว่ามันไม่เป็นการยุติธรรมที่จะให้ข้าพเจ้าซึ่งยังเยาว์วัย ตายไปพร้อมๆกับชายแก่อายุตั้ง60ถึง70ปีข้าพเจ้าไม่ยอมไม่ยอมหญิงสาวกล่าวสองประโยคสุดท้ายด้วยเสียงเด็ดขาดก็เมื่อเธอไม่อยากตายตามเขาเธอก็ไม่ต้องตายก็ได้มิใช่หรือไม่ใช่อย่างนั้นสิท่านเทพบิดามารดาบิดาและญาติพี่น้องของข้าพเจ้าเองต่างขยันขยอรบเล้าให้ข้าพเจ้าตายตามเขา เพื่อแลกกับคำสรรเสริญเยือนยอของชาวบ้านเมื่อข้าพเจ้าแสดงความประสงค์ว่าไม่อยากตายเขาก็รบเลาให้ข้าพเจ้าตายโดยวิธีปลอบบ้างขู่เข็นบ้างตัวสําคัญที่สุดก็คือมารดาบิดาของข้าพเจ้านั่นเองท่านบอกว่าถ้าข้าพเจ้าตายตามสามีไปวิญญาณของข้าพเจ้าจะกลายเป็นเทพเจ้าประชาชนจะเคารพ บ, บูชาครอบครัวพ่อแม่จะมีหน้ามีตา ท่านขอร้องให้ข้าพเจ้าเห็นแก่ท่านเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการสนองคุณมาดาบิดานี่เองคือเหตุแห่งความตรุทมทุกข์ของข้าพเจ้าข้าแต่เทพบิดาโปรดช่วยสัตว์ผู้ทนทุกข์ทรมานด้วยเถิด ได้ฟังเรื่องราวของหญิงสาวคนนั้นแล้วข้าพเจ้าก็แทบจะไม่เชื่อว่าเป็นความจริงข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าประเพณีอันป่าเถื่อนโหดร้ายธารุนเช่นนั้นจะยังคงมีอยู่ในดินแดนมคตอันเจริญรุ่งเรืองแต่มันก็ยังคงมีอยู่ข้าพเจ้าเกิดความตั้งใจขึ้นมาอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะพยายามกำจัดประเพณีสตุตีอันป่าเถื่อนนี้ให้หมดสิ้นไปจากหมู่บ้านปิณะ ธุลัามให้ได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งแม้ว่าวิธีนั้นจะเป็นวิธียืมมือเทวรูปซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจก็ตามข้าพเจ้าบอกหญิงสาวคนนั้นว่าลูกเอ๋ยไม่ต้องตกใจพ่อจะช่วยเจ้าพ่อเห็นว่าความยุ่งยากทั้งหมดนี้เกิดมาจากมารดาบิดาของเจ้าเป็นสำคัญถ้าสามารถเปลี่ยนจิตใจของท่านทั้งสองนั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็คงจะเรียบด้อยแต่พ่อเองก็เป็นเพียงเทวรูปซึ่งไม่สามารถจะทำอะไรได้ถนัดนักพ่อจะบอกอะไรให้เวลานี้มีพระภิกษุในพระพุทธศาสนาองค์หนึ่งมาพักอยู่ใต้ต้นทองกวาวใกล้ๆกับเทวาลนี้เองท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงควรเคารพบูชาและเชื่อฟังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพ่อจะมอบอำนาจถวายภิกษุรูปนั้น และพ่อจะไม่พูดกับใครอีกรวมทั้งเจ้าด้วยพรุ่งนี้เช้าขอให้เจ้าพาบานดาบิดาของเธอมาพบกับภิกษุรูปนั้นเวลานี้ก็ดึกมากแล้วขอให้เธอกลับไปบ้านเสีย รุ่งขึ้นหญิงสาวคนนั้นก็พามารดาบิดามาพบข้าพเจ้าตามสัญญาเมื่อทั้งสามคนนั่งลงยกมือไหว้แล้วข้าพเจ้าก็พูดขึ้นก่อนว่าท่านคือมารดาบิดาของหญิงสาวผู้เคาะร้ายนั่นใช่ไหมใช่ชายสามีตอบแสดงท่าทางว่าประหลาดใจอย่างมากท่านรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นมารดาบิดาของหญิงสาวคนนี้ ก็เมื่อคืนที่ผ่านมาในตอนดึกเทพเจ้าประจําเทวไรได้มาบอกกับอาตมาท่านเล่าให้ฟังว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งมาหาท่านแล้วก็บอกว่ากำลังจะถูกมารดาบิดาบังคับให้เผาตัวตายตามสามีและขอความช่วยเหลือจากท่านท่านไม่ชอบประเพณีอันโหดร้ายทาลุ น, นี้เลยท่านอยากจะให้เลิกเสียและท่านเห็นว่าอาตมาพอจะช่วยแนะนา สั่งสอนท่านทั้สองได้จึงมอบหมายอำนาจให้ข้าพเจ้าทำการแทนส่วนตัวท่านจะกลับไปเสวยที่ประสุขในสวรรค์จะไม่กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกเพราะมนุษย์ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ท่านไม่รู้จักสิ้นสุดอาตมาก็เลยรับปากกับท่านไว้พรามผู้สามีมองดูหน้าภรรยาด้วยท่าทางงงงครู่หนึ่งแล้วหันมาทางข้าพเจ้า พูดขึ้นด้วยอาการอันกระสับกระส่ายว่าข้าแต่ท่านสมณะประเพณีสตุตีนี้เป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราถือปฏิบัติสืบสืบกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราเลิกไม่ได้หรอกเพราะถ้าเลิกเสียก็จะเป็นการทําลายประเพณีเป็นการเนรคุณต่อบรรพบุรุษท่านผู้มีอายุเมื่อได้ฟังคําพูดของ ข้าพเจ้าก็ทราบได้ทันทีว่าในการปฏิบัติตามประเพณีนั้นเขาไม่มีเหตุผลแต่อย่างใดเพียงแต่ถือสืบสืบกันมาอย่างตาบอดข้าพเจ้าจึงเริ่มแนะนำเขาในทางแห่งเหตุผลดังนี้อุบาสกเอ๋ยถ้าหากว่าการเลิกประเพณีบางอย่างเป็นการเนรคุณต่อบรรพบุรุษมนุษย์ในชมพูทวีปทุกคนก็ล้วนแต่เป็นคนเนรคุณทั้งนั้น เพราะมีประเพณีและการปฏิบัติเป็นอนเนกที่บรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติมาแต่มนุษย์เวลานี้ได้เลิกเสียแล้วยกตัวอย่างเช่นเมื่อประมาณห0สิปีมานี้เองนครต่างๆที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำพระคงคาในฤดูที่น้ำขึ้นเอ่อเต็มฝั่งจะประกอบพิธีคงคาสยุมพรทุกปีกล่าวคือในวันเพ็ญเดือนติเขาจะเลือกเอาหญิงสาวพรหมจารีคนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ต้องการของเจ้าแม่คงคามาประดับตกแต่งอย่างสวยงามนำขึ้นสู่คานหามแห่ไปทั่วเมืองเสร็จแล้วก็นำไปโยนลงในกระแสน้ำอันไลเคี่ยวของแม่น้ำคงคาให้จมน้ำตายไปต่อหน้าต่อ ต, อตาคนเป็นจำนวนหมืน่นจำนวนแสนที่เฝ้าดูอยู่บนฝั่งเชื่อกันว่าหญิงสาวนั้นจะได้ไปปรนนิบัตริรับใช้เจ้าแม่คงคา เมื่อเจ้าแม่คงคาพอใจแล้วก็จะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมไม่ทำให้คนอื่นๆตกน้ำตายหญิงสาวที่ถูกโยนน้ำให้ตายนั้นย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากชาวเมืองว่าเป็นวีรสตรีเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมแต่ถึงจะได้รับเกียรติสูงส่งเพียงใดก็ตามก็ไม่ปรากฏว่ามีหญิงสาวคนใดยอมปลีกชีวิตเพื่อเป็นเครื่องสังเวยแก่ เจ้าแม่คงคาพอถึงเดือนสิบทีไรหญิงสาวพมจารีทั่วเมืองต่างหวาดสสดุ่งนอนตาไม่หลับบางคนถึงกับหลบหนีไปอยู่ทินอื่นเสียยั่วคราวบางคนก็ยอมแต่งงานเสียกับใครคนใดคนหนึ่งก่อนจะถึงวันคงคาสายุงพรพิธีนั้นได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่คนเป็นอันมากแต่บัด น, นี้พิธีนั้นก็เลิกลมไปแล้วไม่มีการปฏิบัติกันอีกต่อไปแล้ว คนส่วนมากแทนที่จะเสียใจเมื่อมีการเลิกประเพณีอันบรนพรบุรุษของตนเคยปฏิบัติมาเป็นเวลานับด้วยพันปีกลับยินดีปรีดาเสียอีกที่เลิกเสียได้และไม่มีใครเห็นว่าเป็นการเนรคุณต่อบรรพบุรุษแต่อย่างใดดูก่อนอุบาสกนอกจากพิธีคงคาสยมพรนี้แล้วยังมีพิธีอื่ น, อ, นอื่นอีกมากมาย ที่บรรพาบรุษของเราปฏิบัติมาแต่เราเลิกเสียเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเลิกพิธีสตุตีนี้เสียบ้างก็คงจะไม่เป็นการเนรคุณแต่อย่างใดพรามผู้เคร่งต่อประเพณีเดิมนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงอ่อยๆว่าท่านสมณะข้าพเจ้าพอจะเห็นกับท่านด้วยแล้วว่าถ้าเลิกประเพณีนี้เสียก็คงจะไม่เป็นการเนรคุณต่อบรรพบุรุษ แต่ท่านคงจะไม่ทราบกระมังว่าประเพณีนี้เป็นบุญญาพิธีอันสูงส่งสำหรับสตรีเพศเป็นการเสียสละอย่างสูงเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทันทีดูก่อนอุบาสกท่านยังไม่เข้าใจคำหมายของคำว่าบุญอัตมาจาอธิบายให้ฟังคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขความสงบความเยือกเย็นความมีประโยชน์ สิ่งใดก็าตามที่ท่านทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วนำความสุขความสงบใจมาสู่ท่านและคนอื่นเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองและคนอื่นสิ่งนั้นเรียกว่าบุญสิ่งใดก็าตามเมื่อทาพูดคิดแล้วเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนเองและคนอื่นไม่เป็นประโยชน์แก่ใครสิ่งนั้นเป็นบาปอัตมาพิจารณาดูแล้ว ประเพณีเผาตัวตายตามสามีนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครมีแต่ก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ตายเองก่อความเศร้าสลดใจให้แก่เหล่าญาติเพื่อนฝูงผู้ตายเองก็ตายด้วยความไม่เต็มใจตายด้วยความทุกข์ก็เมื่อเขามีจิตใจเศร้าหมองก่อนตายเช่นนี้เมื่อตายไปแล้วเขาจะไปเกิดในสวรรค์เสวยทิพยสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้น พิธีสตุตีนี้แทนที่จะเป็นบุญกลับเป็นบาปอย่างแท้จริงท่านผู้มีอายุคนทั้งสามนั่งนิ่งอยู่เป็นเวลานานทีเดียวข้าพเจ้าเชื่อว่าจิตใจของเขาคงจะเข้าสู่คันลองของเหตุผลในที่สุดนั่งพรามณ์ผู้เป็นมาดาก็พูดขึ้นว่าข้าแต่ท่านสมณนะดิฉันเห็นด้วยกับท่านทุกประการดิฉันสงสารลูกซึ่งยังเยาว์วัย ไม่อยากให้ตายตามพราหมณ์แก่ผู้เป็นสามีแม่บิดาของเขาในส่วนลึกของหัวใจก็สงสารลูกไม่อยากให้ลูกตายเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราไม่ให้ลูกทำสตุตีประชาชนคงจะแช่งชักหักกระดูกเราจะประนามเราจะดูถูกเยียดยามเราเราจะรู้สึกอัปอายอดสูจนมองหน้าใครไม่ได้ระวังเกรงเรื่องนี้มากท่านผู้เจริญกรุณนาแนะวิธีปฏิบัติ ให้เราด้วยว่าจะทำอย่างไรดีดูก่อนอุบาสิกาธรรมดาของมนุษย์นั้นย่อมมีปกติตำหนิติดเตียนผู้อื่นเราทำก็ตำหนิเราไม่ทำก็ตำหนิในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเราไม่ควรจะถือลมปากของคนอื่นเป็นประมาณถ้าเราพิจารณาดูถีท้วนแล้วเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นดี เป็นกุศลเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ตนและคนอื่นบรรันลิดสันเสริญเราก็ควรทําสิ่งนั้น ท, ทันทีแม้จะได้รับการตําหนิติเตียนการประนามการดูหมิ่นเหยียดยามการด่าว่าด้วยพารุษวาสก็ตามอย่าได้ถือเป็นประมาณเพราะการที่เขาตำหนิประนามดูหมิน่นด่าว่านั้นเขาตำหนิก็เพราะความหลงผิดเป็นเพราะความโง่เขาเพราะความไม่รู้ จึงจำเป็นด้วยหรือที่เราจะต้องถือเอาคนโง่คนหลงมาเป็นผู้นําทางชีวิตเป็นผู้บงการให้เราทําในสิ่งนั้นหรือไม่ทําในสิ่งนั้นแต่สิ่งใดก็ตามถ้าเป็นอกุศลเป็นบาปบัณฑิตติดเตียนทําลงไปแล้วจะนําความทุกข์ความเดือดร้อนและอนัตถะมาแก่ตนและคนอื่นสิ่งนั้นอย่าทําเป็นเด็ดขาด แม้คนอื่นจะยุยงส่งเสริมรบเล้าเพียงใดเขาตามเพราะเขายุยงส่งเสริมด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่เขาด้วยความหลงผิดในเมื่อเรารู้อยู่แก่ใจว่าเขากําลังหลงเดินตามทางผิดฉะไหนเราจะต้องเดินตามเขาด้วยเล่าเพราะกลับมาเดินตามทางที่ถูกย่ำยีดีกว่าหรือ ูมีอายุเมื่อข้าพเจ้าพูดจบลงสองสามีภรรยาคงจะเกิดปัญญารู้เห็นทางผิดทางถูกอย่างแจ้งแจ้งในใจจึงค้มลงกราบแทบเท้าของข้าพเจ้าและพรามผู้สามีได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านทุกประการคำแนะนำคำสั่งสอนของท่านฟังจับใจยิ่งนักมีเหตุผลถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะได้ฟังคาสั่งสอนของท่าน ข้าพเจ้าจึงได้เกิดแสงสว่างคือปัญญาขึ้นในใจรู้จักหนทางที่ถูกต้องแล้วข้าพเจ้าจะไม่บังคับให้ลูกของข้าพเจ้าต้องกระทําพิธีสตุตีอันโหดร้ายทารุณ น, นั้นอีกต่อไปความเห็นของท่านชอบแล้วอุบาสกอาตมาขออนุโมทนาขอให้ท่านยึดหลักเหตุผลหลักความถูกต้องเป็นธงชัยในการนําทางชีวิตต่อไป ทุกคนมีหน้าตาแจ่มใสสดชื่นขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งหญิงสาวผู้เกือบจะต้องตายเพราะประเพณีอันป่าเถื่อนดูท่าทางมีความสุขมากเป็นพิเศษเธอก้มลงกราบข้าพเจ้าด้วยน้ำตาแห่งความดีใจ และความขอบคุณแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านพูดเจริญดิฉันไม่สามารถจะกล่าวคำขอบคุณอย่างไรดีจึงจะเหมาะสมแก่อุปการะคุณอันสูงส่งที่ท่านได้ทําแก่ดิฉันได้ช่วยชีวิตของดิฉันไว้ไม่ต้องขอบบุญขอบคุณอะไรหรอกข้าพเจ้าตอบการได้ช่วยสัตว์ผู้ตกยากให้พ้นจากความทุกข์เป็นกุศลธรรมอันสูง ซึ่งก่อให้เกิดความสุขใจแกอัตมายิ่งกว่าคำขอบคุณใดใดหมดข้าพเจ้าได้แสดงธรรมโปรโดคนทั้งสามจนทุกคนเกิดศรัทธาในพระรัตนตรยัยและสมารถติแล้วคนทั้งสามก็กลาบลากลับคืนสู่เคหสถานแห่งตนท่านผู้มีอายุในตอนบ่ายวันเดียวกันนั่นเองขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งพิจารณาธรรมอยู่ใต้ต้นทองกวาว ข้าพเจ้าสังเกตเห็นคนกลุ่มหนึ่งจํานวนเจ็ดปดคนเดินตรงมาทางข้าพเจ้าด้วยท่าทางรีบร้อนเมื่อมาถึงทุกคนนั่งลงโดยไม่ได้แสดงความเคารพแต่อย่างใดแล้วชายคนหนึ่งซึ่งมีอาวุโสกว่าเพื่อนมีกิริยาอาการสอให้เห็นว่าเป็นหัวหน้าก็พูดขึ้นอย่างเกลี้ยวกลัดว่าท่านสมณะท่านใช่ไหมที่จะมาทําลายพิธีประเพณี การทําสตุตีอันเก่าแก่ของเราข้าไเจ้าพยายามระงับจิตระงับใจให้เป็นปกติและพูดขึ้นว่าอัตมาไม่ได้ทําลายประเพณีสตุตีหรือประเพณีอะไรของใครชายคนนั้นเอามือชี้หน้าข้าพเจ้าและพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าท่านพูดมูสาก็ท่านเองไม่ใช่หรือที่เป็นผู้แนะนําให้ภรรยาของพี่ชายของข้าพเจ้า พร้อมทั้งมารดาบิดาของเธอเลิกทําสตุตีอัตม า, าไม่ได้นำแนะนำให้เขาเลิกทําเพียงแต่แนะนําให้เขาทิ้งความเห็นที่ผิดเสียแล้วให้ความเห็นความรู้ที่ถูกต้องแทนท่านเห็นว่าการทําสตุตีเป็นการกระทําที่ผิดด้วยหรือใช่อคนหนึ่งถามขึ้นอุบาสกของสิ่งเดียวกันคนหนึ่งอาจจะเห็นว่าผิด อีกคนหนึ่งอาจจะเห็นว่าถูกอัตมาไม่สนใจว่าอะไรผิดอะไรถูกสนใจเพียงว่าบางสิ่งบางอย่างควรทำบางสิ่งบางอย่างไม่ควรทำอา้าวก็อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำชายผู้เป็นหัวหน้าถามสิ่งใดก็ตามเมื่อทำแล้วนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ตนและคนอื่นนำความเสียหายมาสู่ตนและคนอื่น ไม่เป็นประโยชนแกไขสิ่งนั้นไม่ควรทำสิ่งใดก็ตามเมื่อทำแล้วนำความสุขความสงบมาสู่ตนและคนอื่นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและคนอื่นสิ่งนั้นควรทำขอให้พิจารณาดูด้วยจิตใจอันเป็นธรรมเถิดว่าการเผาตัวเองตายตามสามีนั้นผู้ตายได้รับประโยชน์อะไรสามีที่ตายไปก่อนได้รับประโยชน์อะไร พ่อแม่ญาติพี่น้องมีสหายของผู้เผาตัวตายได้รับประโยชน์อะไรชาวบ้านทั้งปวงได้รับประโยชน์อะไรท่านผู้มีอายุพ้นปรากฏว่าไม่มีผู้ใดตอบคำถามของข้าพเจ้าได้เพราะทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าประเพณีอันปาถืงเช่นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรไม่นำความสุขสงบใจมาให้แก่ใครตรงกันข้ามกลับําความทุกข์ ความระทมใจความสูญเสียการพัดพรากอันไม่จำเป็นมาสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประโยชน์อย่างเดียวที่จะพึงได้รับก็คือการรักษาประเพณีอันโหดร้ายขารุนนั้นให้คงไว้เท่านั้นเองเมื่อเห็นว่าทุกคนจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ได้เทศนาสั่งสอนเขาโดยในยะแห่งเทศนาที่ข้าพเจ้าได้สอนมารดาบิดาของหญิงสาวคนนั้น จนกระทั่งทุกคนเห็นโทษของสตุตีปฏิญญาณถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งท่านผู้เจริญใช่หูหน้ากล่าวขึ้นก่อนอำลากลับมันเป็นสิ่งที่น่าประราดที่คนเป็นอันมากจะหลงเชื่อและกระทำสิ่งที่โง่เขลาบางอย่างโดยไม่มีการพิจารณาสอบสวนมาเป็นเวลาหลายร้อยปีข้าพเจ้าทั้งหลายถ้าไม่อาศัยท่านก็คงจะจมอยู่ ม่ปักแห่งความโง่นั้นต่อไปท่านเป็นดวงประทีบช่วยขจัดความมืดคือโมหะของพวกข้าพเจ้าโดยแท้ ได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้ายัางไม่มีโอกาสบำเพ็ญเพียรทั้งจิตใจเพื่อเกิดปัญญากบจัดกิเลสาสะออกไปจากจิตสันดานอย่างแท้จริงเลยเหตุผลประการแรกก็คือข้าพเจ้ามัวไปเอาใจใส่วุ่นวายอยู่กับการเทศนาสั่งสอนคนอื่นและการบริหารหมู่คณะคลุกคลีอยู่กับอุบาสกอุบาสิกาและเพื่อนพมจาลีมากเกินไป จไม่มีเวลาเหตุผลประการที่สองเป็นเหตุผลเกี่ยวกับกรรมเก่าของข้าพเจ้าคือทุกครั้งที่ข้าพเจ้านั่งเข้าที่เจริญสมถกรรมฐานเพราะจิตสงบนิ่งลงสู่ผวังนิมิตอันเร็วร้ายต่างๆก็จะปรากฏขึ้นในดวงจิตเช่นภาพของคนเคอะร้ายที่ถูกข้าพเจ้าฆ่าฟันอย่างไม่ปราณีในเมื่อข้าพเจ้ายัางเป็นโจรบ้าง ภาพของลีลาวดีกำลังกราบไหว้วิงวอนขอความเห็นใจจากข้าพเจ้าบ้างนิมิตต่างๆเหล่านี้ทําให้ข้าพเจ้าเสียสมาธิทําให้ใจไม่สบายเมื่อ น, นิมิตเกิดขึ้นบ่อยๆข้าพเจ้าเลยกลายเป็นคนหวาดกลัวไม่กล้าทําสมาธิเพราะการทําสมาธิเท่ากับเปิดประตูนําตัวเองเข้าสู่วงอันเต็มไปด้วยสิ่งหลอกหลอนต่างๆนานาแต่ครั้นจะยุติ อยู่เพียงแค่การรักษาศีลสมรวมอินทรีย์นักเทศนาสั่งสอนประชาชนข้าพเจ้าก็คงติดอยู่แค่เปลือกนอกของพระาศาสนาคงจะไม่มีการก้าวหน้าไปสู่แก่นพระาศาสนาอันเป็นจุดสูงสุดได้ก็เมื่อเป็นเช่นนี้การอุทิศชีวิตในพระธรรมวินัยของข้าพเจ้าก็คงจะมีผลน้อยเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วข้าพเจ้าจึงได้ตัดสินใจที่จะบาเพ็ญทางจิตอีกครั้งหนึ่ง ตั้งใจจะปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อผลทางมรรคผลอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรมาขวางกัน้นไม่ว่าจะมีนิมิตอันเลวร้ายใดๆปรากฏขึ้นมารบกวนข้าพเจ้าจะฝ่าฟันเอาชนะมันให้ได้และสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติทางจิตก็คือป่าทองกวาวใกล้หมู่บ้านปินนธุรครรมนี่เอง เย็นวันหนึ่งเมื่อบริเวณเทวไลกลับคืนสู่ความสงบเงียบแห่งลาตรีแล้วข้าพเจ้าก็เข้าที่ทำสมาธิโดยเจริญอาณาปณสติตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเมือ่อหายใจออกก็ให้รู้สึกว่าหายใจออกเมือ่อหายใจเข้าก็ให้รู้สึกว่าหายใจเข้าเมือ่อหายใจออกสั้นหรือยาวก็รู้ว่าหายใจออกสั้นหรือยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นยาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหรือยาวเนื่องจากข้าพเจ้าปล่อยจิตมานานจึงรู้สึกว่าคุมสติได้อย่างยากเย็นขณะที่กำหนดลมหายใจไปบางที่จิตใจก็เลื่อนลอยไปยังอารมณ์ต่างๆโดยไม่รู้ตัวเมื่อเกิดความรู้ตัวก็รีบดึงกลับคืนมาผูกไว้กับลมหายใจต่อไปจิตใจของข้าพเจ้าในขณะนั้น เปรียบเหมือนมาพยศที่ไม่เคยมีใครจับมาผูกฝึกไว้ใช้งานเมื่อมีคนจับผูกมันจึงได้ต่อสู้ดิ้นรนหลุดวิ่งหนีไปอีกต้องวิ่งไล่จับนํามาผูกอีกข้าพเจ้าปลูกปัําอยู่กับจิตใจที่ดิ้นรนจนรู้สึกเหนื่อยอ่อนแต่ในขณะเดียวกันจิตใจก็ดูเหมือนจะเกิดความเหนื่อยอ่อนเช่นเดียวกันเพราะการดิ้นรนของมันค่อยๆลดความรุนแรงลง จนไม่สามารถที่จะหลุดไปได้พอเวลาล่วงเข้ามาจิมยามจิตใจของข้าพเจ้าแน่นิ่งเป็นอัปปนาสมาธิมีอารมณ์เป็นอันเดียวซึ่งสงบนิ่งอยู่กับลมหายใจเปรียบเหมือนม้าพยศที่หมดเรี่ยวแรงแล้วยืนสงบนิ่งอยู่กับหลักขณะที่ข้าพเจ้าแน่วแน่แล้วนั้นนิมิตต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วในการทําสมาธิทุกคราว ภาพแรกที่เห็นก็คือภาพของเจ้าของทรัพย์ที่มีร่างโชคด้วยโลหิตล่ําไห้ครลาครวนขอชีวิตจากข้าพเจ้าภาพต่อๆไปก็คงเป็นภาพประเภทเดียวกันเปลี่ยนแต่รูปร่างหน้าตาของบุคคลเท่านั้นข้าพเจ้าจําได้ดีว่าภาพเหล่านั้นคือเหตุการณ์จริงๆที่ข้าพเจ้าได้ประสบมาในระหว่างเวลาที่เป็นโจรออกปล้นสะดบชาวบ้าน ตามบ้านใหญ่เมืองน้อยต่างๆตามแถบจิดเนื้อของแคว้นโกศลข้าพเจ้าพยายามผ่านภาพมายาอันน่าสเสรสจใจเหล่านี้ไปอย่างรวดเร็วแกก็รู้สึกว่ามันมีมากมายไม่รู้จักสิ้นสุดภาพหนึ่งหายไปภาพใหม่ก็เข้ามาแทนท่านผู้มีอายุถ้าท่านเคยทำสมาธิจนถึงขั้นได้นิมิทอย่างข้าพเจ้า ท่านก็คงจะทราบเองว่านิมิตเหล่านั้นมันแจ่มแจ้งชัดเจนเป็นจริงเป็นจังเพียงใดในขณะที่ทั้งเนือ้อทั้งตัวของเราเหลือแต่ดวงจิตไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายและไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกด้วยประสาทสัมผัสใดๆทั้งนั้นเราจะรู้สึกตัวไกลๆกับว่าเรากำลังอยู่ ในโลกอีกโลกหนึ่งต่างหากซึ่งมีเกี่ยวกับโลกนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอีกอันหนึ่งซึ่งดูเป็นของจริงอย่างไม่มีข้อน่าสงสัยถ้าเราขาดสติตัวเดียวเท่านั้นเราจะเข้าใจว่านิมิตเหล่านั้นเป็นของจริงแล้วเราก็จะเกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆขึ้นมาตามลักษณะของนิมิตนั้นเช่นถ้าเป็นนิมิต ด, ดีสวยงามเราก็จะเกิดความพอใจความชอบ ถ้าเป็นนิมิตร้ายเกิดขึ้นเราก็จะเกิดความตื่นเต้นตกใจกลัวเพราะฉะนั้นอาจารย์ทั้งหลายจึงสอนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับนิมิตอย่าเผลอสติคิดว่าเป็นของจริงให้ทําความรู้เสมอว่านั่นคือภาพมา ย, ยามีผู้ปฏิบัติทางจิตเป็นอันมากที่หลงเข้าใจว่าภาพเหล่านั้นเป็นของจริงเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเช่นตกใจกลัวจนตัวสั่นต่อนิมิตอันน่ากลัว แล้วก็เผลอสติร้องขึ้นมาด้วยความตกใจออกจากโลกแห่งนิมิตมาสู่โลกแห่งความจริงโดยฉับพลันทำให้เสียขวัญประสาทจนกระทั่งกลายเป็นคนมีคนจะดินไปก็มีขา้าพเจ้าได้รับคำแนะนำตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องของนิมิตนี้มามากจึงพยายามหักห้ามใจไม่ให้ลหลงไหลไปตามพยายามข่มความรู้สึกดีใจเสียใจ สงสารสังเวชต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะการรบเล้าของนิมิตนั้ น, น, นเสียรจริงอยู่การปมความรู้สึกอันเกิดจากนิมิตที่เป็นภาพของเหตุการณ์จริงในชีวิตของข้าพเจ้าเองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งแต่ข้าพเจ้าก็พยายามดึงจิตไปจากนิมิตนํามันไปผูกไว้กับลมหายใจอีกครั้งหนึ่งในที่สุดนิมิตเหล่านั้นก็หายไปท่านผู้มีอายุ เมื่อนิมิตอันน่ากลัวเหล่านั้นหายไปไม่นานนิมิตอันใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกนิมิตอันใหม่ก่อให้ข้าพเจ้าเกิดความสะเทือนใจมากมายหลายเท่านักเพราะมันเป็นนิมิตของลีลาวดีข้าพเจ้าจะเล่ารายละเอียดให้ท่านฟังดังต่อไปนี้ภาพของลีลาวดีได้ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเรื้อรังก่อนแล้วก็ค่อยชัดเจนขึ้นจนดูกระทั่งเหมือนลีลาวดีตัวจริง แม้จะเป็นเพียงนิมิตแต่มันก็มีอิทธิพลในจิตใจของข้าพเจ้าเหลือประมาณข้าพเจ้าพยายามคุมสติไว้ทังความรู้สึกว่านั่นเป็นเพียงแต่นิมิตแต่ก็เลยผลน้อยเต็มทีในที่สุดสติของข้าพเจ้าก็าหลุดจากลมหายใจที่กำลังกำหนดอยู่เข้าไปร่วมอยู่ในโลกแห่งนิมิตกับหรือเราดีจนสิน้นเชิงบัดนี้ข้าพเจ้าปรากฏตัว ยืนเฉพาะหน้าลีลาวดีและลีลาวดีก็ยืนอยู่เฉพาะหน้าข้าพเจ้าแต่จากการสังเกตอย่างใกลคิดข้าพเจ้าก็ทราบได้ว่าลีลาวดีคนนี้ไม่ใช่ลีลาวดีคนเดิมดูท่าทางเธ อ, อยังเป็นเด็กอายุประมาณ15หปีเท่านั้นเองแต่ก็มีท่าทางเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวหน้าตารูปร่างของเธอไม่เหมือนเดิมแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แสดงอย่างชัดเจนว่า เป็นลีลวดีแม่ท่านผู้มีอายุตามเหตุการณ์ที่ปรากฏในนิมิตนั้นข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและเสียใจรัคนกันดีใจที่ได้พบลิลวดีอีกแต่ก็เสียใจเมื่อนึกถึงความหนักอันคมคืนของเราทั้งสองเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความคมคืนนั้นข้าพเจ้าเองเป็นตัวการสําคัญก่อให้เกิดขึ้นข้าพเจ้าพูดออกมาในนิมิตนั้นว่า ลีลาวดีนั่นลีลาวดีใช่ไหมใช่ลีลาวดีตอบเสียงห้วนหวนแถมยังแสดงหน้าตาท่าทางอย่างกับว่าไม่พอใจในการที่พบข้าพเจ้าด้วยไม่มีแววยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเธอเลยไม่นำซ้ำยังกระมึงถึงเสียอีกข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจอยู่ครามครันแต่ก็แข็งใจถามต่อไปว่าลีลาวดี นี่ดีลวดีจริงๆหรือว่าเป็นเพียงภาพนิมิตบอกหลวงพี่ด้วยจริงๆเสิยงเธอตอบหุ่นๆตามเคยเวลานี้เธออยู่ที่ไหนเธอเกิดแล้วหรเกิดที่ไหนข้าพเจ้าถามด้วยความตื่นเต้นดีลวดีไม่ตอบเธอยืนจ้องหน้าข้าพเจ้าอยู่นานจึงได้กล่าวขึ้นว่าตามฉันมาว่าแล้วก็หันหน้าออกเดินไปอย่างรวดเร็ว ขณะนั้นข้าพเจ้ารู้สึกตัวคล้ายๆกับถูกสะกดด้วยมนไม่มีอำนาจใดๆที่จะบังคับตัวเองได้ทั้งสิน้นรู้สึกว่าตนเดินตามหลังลีลาวดีไปโดยอัตโนมัติ ก็พาข้าพเจ้ามาถึงนครแห่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เป็นนครที่สวยงามมากตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําอันกว้างใหญ่ไพศาลริมฝั่งน้ําเรียงรายไปด้วยเจดีย์สถูปเทวลัยและปราสาทของเศรษฐีเครื่องหาบพอดีตั้งแต่บนฝั่งไปจนถึงชายนําเบื้องล่างเขาทําขั้นบันไดหินลดหลั่นกันลงไปดูสวยงามดีตามขั้นบันไดก็มีลือศีโยคี สัญญาสีและนักบวชในละทิตต่างๆกำลังนั่งสวดมนต์ภาวนาในน้ำใกล้ฝั่งมีคนทุกเพศทุกวัยกำลังอาบน้ำสมสนานกายคลากร้ำเต็มไปหมดลีลาวดีพาข้าพเจ้าเดินไปตามถนนอันสวยงามสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้าโรงงานเทวสถานสลับด้วยสวนดอกไม้เป็นแห่งๆลีลาวดี พาข้าพเจ้าเดินมาถึงกำแพงสูงแห่งหนึ่งซึ่งมีประตูใหญ่อยู่ตรงกลางมีชายคนหนึ่งยืนเฝ้าประตูอยู่ที่นั่นพอเห็นลีลาวดีเดินมาชายคนนั้นก็เปิดประตูออกเมื่อลีลาวดีเดินผ่านประตูเขาก็ทำความเคารพแต่พอข้าพเจ้าจะเดินเข้าประตูเข้าไปบ้างเขาออกมายืนขวางไว้ทันทีไม่ยอมให้ข้าพเจ้าผ่านแม้ข้าพเจ้าจะวิงวอนขออนุญาตอย่างไร เขาก็ไม่ยอมท่าเดียวบัดนี้ดีลาวดีได้เดินไปตามถนนเล็กๆ ล, ลงไปยังปราสาทหลังใหญ่ตั้งตระหนอยู่ภายในกำแพงนั้นก่อนจะเข้าสู่ปราสาทเธอหันหลังมายิ้มให้กับพระเจ้าแวบหนึ่งแล้วก็เข้าประตูหายไป ทผู้มีอายุพอลีลาวดีหายเข้าประตูไปเท่านั้นภาพต่างๆเช่นปราสาทกำแพงประตูคนเฝ้าประตูและนครนั้นทั้งหมดก็หายไปด้วยบัดนี้สติของข้าพเจ้าก็กลับมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกอีกครั้งหนึ่งไม่มีนิมิตใ ด, ดๆเหลืออยู่เลยข้าพเจ้านึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ภาพลีลาวดีหายไปอย่างลึกลับ พยายามน้อมนึกให้เกิดนิมิตของลีโรดีอีกแต่ก็มีมีผลใดๆเกิดขึ้นเมื่อทําให้นิมิตเกิดขึ้นไม่ได้ข้าพเจ้าก็พยายามกลับมาสู่ลมหายใจพยายามที่จะทําจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่สําเร็จอีกเพราะขณะนั้นรำอารมณ์เกี่ยวกับนิมิตของลีโวดีได้พลุ่งพล่านขึ้นมาทําลายสมาธิเสียแล้วในที่สุด ข้าพเจ้าก็เลยตัดสินใจออกจากสมาธิท่านผู้มีอายุแม้จะออกจากสมาธิแล้วนิมิตที่เห็นในสมาธิเกี่ยวกับลีลาวดียังติดตาติดใจข้าพเจ้าอยู่อย่างชัดเจนสามารถจะมองเห็นภาพของนครถนนท่าน้ําอาคารบ้านเรือนและใบหน้าของลีลาวดีได้อย่างจําชัดเจนลำดับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องมันเป็นนิมิต ที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าทุกคราวที่ผ่านมาในครั้งก่อนๆ น, นิมิตของลีลาวดีที่ปรากฏในดวงจิตเป็นลีลาวดีแห่งนครสาวัตถีปรากฏในรูปของเด็กสาวบ้างหญิงสาวเต็มตัวบ้างนั่งพิษุนีบ้างปรากฏขึ้นมาเฉพาะใบหน้าบ้างครึ่งตัวบ้างเต็มตัวบ้างออกสิยงวิงวร์ครู่หนึ่งแล้วก็หายไปไม่มีเหตุการณ์สถานที่อะไรประกอบ แต่มินิมิตกล่าวนี้เป็นลีลาวดีอีกคนหนึ่งมีเหตุการณ์สถานที่ประกอบอย่างชัดเจนคล้ายของจริงมากกว่าความฝันมันหมายความว่าอย่างไรกันอาจจะเป็นได้ไหมว่าภาพนิมิตนั้นเป็นแสงสะท้อนของปางจริงซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เข้ามาปรากฏให้เห็นในดวงจิตของข้าพเจ้าซึ่งละเอียดอ่อนพอที่จะรับภาพนั้นได้ในขณะที่เป็นสมาธิ ถ้าเป็นจริงดังนั้นก็แสดงว่านครเช่นนั้นมีอยู่จริงปราสาทเช่นนั้นมีอยู่จริงและลีลาวดีก็คงจะเกิดเป็นหญิงสาวเช่นนั้นจริงเพราะตั้งแต่เธอดับขันมาจนถึงบัดนี้เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วข้าพเจ้าคิดปัญหาเหล่านี้อย่างหนักเกือบตลอดคืน เองก็เคยจะเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกับข้าพเจ้าคือเมื่อเราตั้งใจจะทํางานอะไรบางอย่างด้วยความอุตสาหะวิริยะแต่งานนั้นไม่เป็นผลไม่มีความก้าวหน้าอย่างใดทั้งสิน้นพอทําไปได้นิดหน่อยก็เกิดอุปสรรคขัดขวางเสียอย่างนี้ท่านก็คงจะเกิดความเอื่มละอายท้อถอยหมดกํำลังใจข้าพเจ้าเองพยายามตั้งใจบําเพ็ญเพียรทางกิจอยู่ที่หมู่บ้าน ปิณะธุรคามทอมาอีกหนึ่งสัปดาห์ด้วยความมาณะพยายามอย่างสุดกำลังแต่ไม่สามารถจะนำจิตใจเข้าสู่สมาธิขั้นสูงสูงได้เพอจิตใจแ น, แน่ลงเป็นอัปปนาสมาธินิมิตเก่าก็เกิดมาขัดขวางเสียทุกทีไปนิมิตเกี่ยวกับลีลาวดีก็เกิดขึ้นหลายคราวและเกิดขึ้นแบบเดียวกับวันแรกดังที่ครับเจ้าได้เล่าให้ฟังแล้ว ไม่มีผิดเพี้ยนเลยเริ่มต้นตั้งแต่ดีละวดีปรากฏตัวให้เห็นจนกระทั่งหายไปในปราสาทดังกล่าวแล้วต่อจากนั้นจิตใจของข้าพเจ้าก็าติดอยู่แค่ขั้นนั้นเองในที่สุดข้าพเจ้าก็เลยคิดเสว่าอุปนิสัยบารมีของเราคงจะได้อบรมสั่งสมมาแค่นี้วิบากกรรมเก่าคงจะมีพลังขัดขวางแรงมากถึงจะพยายามต่อไป ก็คงไม่มีประโยชน์จึงตัดสินใจจะบำเพ็ญชีวิตแบบเดิมคือตั้งมั่นในศีลารวตรและสั่งสอนอบรมประชาชนในสมาธิถิตและสัมาปฏิบัติต่อไปในที่สุดข้าพเจ้าก็อำลาชาวบ้านปิณธุรคามเพื่อออกเดินทางต่อไปชาวบ้านที่เป็นอุบาสกอุบาสิกามีศรัทธาประสาทะตั้งมั่นแล้วในระรตนตร ต่างอะไรเสียดายออกปากอารัตนาวิงวอนให้ข้าพเจ้าอยู่โปรดเขาต่อไปแต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถที่จะรับคำอารัธนาเขาได้เพราะชีวิตคือการเดินทางไปจนกว่าวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ข้าพเจ้าได้มาตั้งหลักพักอยู่ที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งหากจากหมู่บ้านปินนัตุรคมไปทางปัจจิมมติประมาณกึ่งโยต์ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่ในป่าช้าซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านตอนเช้าไปบินทบาตในหมู่บ้านเมื่อได้อาหารพอประมาณพอประทังชีพได้แล้วก็กลับออกมาฉันป่าช้าที่ข้าพเจ้าอยู่นั้นเต็มไปด้วยสีเสียด มีใบร่มเย็นน่ารื่นรมแต่เป็นที่น่าเกรงกลัวสำหรับชาวบ้านทั่วไปถ้าไม่มีธุระจำเป็นก็จะไม่มีใครผ่านไปทางนั้นเป็นอันขาดแต่สำหรับข้าพเจ้าผู้วางเสียแล้วซึ่งความอะไรในชีวิตหาได้หวาดกลัวแต่อย่างใดไม่ความกลัวทั้งหลายย่อมเกิดจากความรักความยึดถือและยอดแห่งความรักความยึดถือของมนุษย์ก็คือ ชีวิตของตนเองเมื่อปล่อยวางความรักความยึดถือในชีวิตได้แล้วความกลัวก็ไม่มีวันที่สองหลังจากที่ข้าพเจ้าเข้าอยู่ในป่าไมยสีเสียดนั้นก็มีชายหนุ่มชาวบ้านคนหนึ่งเข้ามาหาข้าพเจ้าด้วยหน้าตาห ม, ม่นหมองแสดงว่ากำลังทุกข์หนักชีวิตของข้าพเจ้าเป็นชีวิตที่แปลกเหมือนกันทั้งผู้มีอายุผู้ที่จะมาพบกับข้าพเจ้าทุกคน มักจะแบกเอาความทุกข์มาให้ข้าพเจ้าช่วยปลดปลงให้ทั้งนั้นเมื่อเขายังมีความสุขสนุกสนานอยู่ดูเหมือนจะไม่มีใครนึกถึงข้าพเจ้าเลยแต่พอถูกภูเขาทุกข์ทับผมใจเขาจะวิ่งมาหาข้าพเจ้าทันทีแต่ข้าพเจ้าก็ยินดีและเต็มใจที่จะปลดเปลื้อนทุกข์ให้แก่ทุกคนถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะยังปลดเปลื้อนทุกข์ของตนเองไม่ได้ก็าตามท่านสมณะ ชายหนุ่มคนนั้นเริ่มสนทนาข้าพเจ้าชื่อปารกะเกิดในตระกูลพามในบู่บ้านมาละวะคามนี่เองข้าพเจ้ามีมารดาบิดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแต่เขาเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายใดๆสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกตัวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกอันว้าเวีเปล่าเปลี่ยวนี้แม้แต่บุตรภรรยาของข้าพเจ้าเองก็ไม่ให้ข้าพเจ้าเข้าบ้าน ทุกคนเห็นข้าพเจ้าเป็นสนิทจันัยทุกคนที่พบข้าพเจ้าเขาก็ปิดหน้าปิดตาท่มน้ำลายแสดงความรังเกียจเยียดยามขอท่านได้โปรดเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าด้วยกล่าวจบเขาก็นั่งก้มหน้านิ่งอยู่อย่างน่าสงสาร